ผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อ ท่านเปิดเผยให้ศิษย์ผู้ใกล้ชิดคน 20 ปีนี่โยม 2440 ในสมัยเป็นหนุ่มเนี่ย เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่ ก็ห่างจากวัดเดิมปัจจุบันเนี่ยอ่าวัดปัจจุบัน พอรู้กันว่าเฉพาะตรงที่สวนตาลีน่ะมีคนขุดพบ <c oughs> แล้วก็เป็นวัดที่มั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยบ้านน่ะมีหน้าที่เก็บภาษีอากรเข้ารัฐวันนึงได้เดินทางไปเก็บภาษีที่ที่สวยงามถูกใจองค์หนึ่งก็สอบถามชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้า เสร็จแล้วก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถานบนเลื่อนใช้ไม้อ่าใช้ควายลากมาตั้งใจว่าจะนำ ควายตัวนั้นก็ลากเลื่อนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สำหรับให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชากันแต่ว่าไม่สู้แข็งแรงนักข้าง ชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าต้องเป็น เช่นหลวงพ่อดิ่งเมื่อท่านมีชีวิต ท่านได้อยู่เรียนพระธรรมวินัยที่วัด 3 จีน 1 ภาษาหนึ่งระหว่างนั้นทางวัดบางบัวไม่มีเจ้าอาวาสปกครองแล้วก็มี ท่านก็ไม่ 2443 เป็นต้นมา 52 ปีท่านก็บอกว่าคน หลวงพ่อดิ่งท่านกลับมาอยู่วัดบางบัวอีกครั้งเมื่อท่านมา ทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐานหลวงพ่อดิ่งพระเถราจารย์ ใครๆก็รู้ว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วย ท่านไม่พูดถึงไม่บ่นถึงเรื่องจตุปัจจัยหรือว่า ที่พอเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆหลวงพ่อก็ใช้สําหรับสงเคราะห์แก่ บางครั้งเนี่ยเจ้าภาพเห็นหลวงพ่อไม่ยอมพอหลวงพ่อรู้เข้าหลวงพ่อก็จะดุลูกศิษย์แล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไปคืนเนี่ยให้เจ้าภาพทุกครั้งไปหลวงพ่อท่าน ส่วนในด้านความโกรธหรือว่าการมีโทสะนั้นระยะแรกๆ มารยาหลังลูกศิษย์ลูกหาและชาวแม้ เมื่อท่านรู้ไม่ว่าท่านจะว่างๆท่านก็ ท่านไม่เคยเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าแม้กระทั่งค่ายารักษาโรคท่าน เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาของชาวตะวันออกท่านได้ให้ความไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวหรือว่า ท่านก็ช่วยเท่าที่ท่านจะมีอยู่ในตัวท่านถ้าหลวงพ่อ ท่านจะอบรมสั่งสอนธรรมะให้มีสติควบคู่ไป คือพวกที่ชอบกินเหล้าเมายาแล้วมาเอะอะโวยวาย อีกหลายคนหลายคนแล้วก็แปลกที่คนๆไปส่วนความเมตตาที่ ในวัดของท่านจะมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดเช่นๆอีกเยอะทั้งหมูทั้งไก่สรรพสัตว์บางตัว เพราะมันไม่มีที่พึ่งแล้วมันก็ป้องกันตัวเองไม่ได้มันไม่มีที่พึ่งแล้วมันๆน้อยๆเท่านั้นๆเหล่านั้นๆที่ ได้ถูกคนโค่นล้มเพื่อนำมาสร้างสิ่ง หลวงพ่อดิ่งท่านไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ Charl cortโจมเช이라는 domain เป็นผู้มีความคิดเริ่มอยู่เป็นนิดแล้วก็เป็นผู้มีความขวลขวายอยู่ตลอด 호ท์ท่านชอบส่อแสวงหาอร์จรรย cambi котораяจริงท่าน หลวงพ่อมีวิคาความรู้ความสามารถ ช่วยเสกเป่าแล้วก็ทําน้ํามนให้ดื่มตลอดจนประพรม สิ่งที่เรียกว่าเสนียดจนไร ซึ่งสมัยนั้นถ้ารู้ว่าหลวงพ่อดิ่งจะขึ้นเทศน์เมื่อไหร่ก็จะมาคอย ครั้งหนึ่งหลวงพ่อดิ่งท่านได้ชวนนายปอซึ่ง หลังจากสมภารท่านทราบก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วย หลวงพ่อสวดมนต์เสร็จก็ลุก แต่หลวงพ่อท่านไม่ได้สอนอะไรๆก็อ่าตามไปที่วัด คิดว่าสมภารท่านนั้นคงจะเคยได้ยินกิตติศัพท์และชื่อเสียงหลวง กันจะตามมาเอาที่วัดก็อาจจะเกรง รู้สึกว่าจะมีความจริงอยู่มากทีเดียวว่าจะมีความจริงอยู่มากทีเดียวอย่างเช่น 4-5 วันคือหลวงพ่อท่านทําดุกลงเป็น หลวงพ่อให้เอาออกไปกองไว้กลางนอกชาญแล้วท่านก็พูดบอกว่าให้พระภิกษุช่วยกันรื้อขน 15 ค่ํา เสียงระฆังก็ดังรัวขึ้นที่วัดเป็น ก็ทัดทานบอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยสบายก็อย่าลงโบสถ์เลยครับเรื่องสวดพระปฏิโมกข์ภิกษุสี กลัวจะทํากันไม่ได้นะก็หลวงพ่อก็ไม่ยอมงดลงโบสถ์ตามคําทัดทันของท่านขุนโควินครั้นลงไป บรรดาพระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูปที่นั่งประชุมพร้อมกันอยู่ก็พากันตกตะลึงสักครู่ก็พากันเอะใจ ที่ต่างก็พากันเข้ามาอาศัยใครต้องการร่มเงาก็จับ สมดั่งพุทธภาษิตที่ว่ารูปของ เมื่อมีเกิดในเบื้องต้นก็ย่อมจะมีดับ 75 ปีครับนี่คือประวัติโดย ตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา